เรื่องเล่าผีหลอนตอนมีเมียเป็นผีนางตานีเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เจ้าของเรื่องได้รับฟังมาจากแม่ของเขาซึ่งเคยเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้วคุณแม่ของเขายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็ก เรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อสมัยประมาณ40ปีก่อนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ไม่มีความเจริญให้เห็นเลยแม้แต่น้อยหมู่บ้านที่แม่อยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แสนจะทุร ก, กันดารแม่บอกว่าคนในสมัยนั้นมักจะทำมาหากินไม่ได้ทำมาเพื่อค้าขายเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันนี้ บ้านแต่ละหลังจะคล้ายๆกันหมดคือมักจะปลูกพืชผักไว้กินไว้ใช้และพืชอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านมักจะปลูกกันโดยทั่วไปคือต้นกล้วยและมะละกอบ้านของทิศสุขซึ่งปลูกอยู่ทางท้ายของหมู่บ้านเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆซึ่งปลูกด้วยไม้ไผ่และมุงหลังคาด้วยใบจากปลูกท่ามกลางดงกล้วยตานีมีเพียงบ้านทิสุข อยู่เพียงลำพังคนเดียวเท่านั้นเพราะแกเองได้แยกตัวออกมาจากครอบครัวได้หลายปีแล้วทิสุกเป็นคนโสดไม่มีเมียหรือเคยแต่งงานมาก่อนแกใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครและด้วยเหตุนี้ทิสุกจึงเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมากนักจนกระทั่ง เรื่องแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นให้ใครต่อใครได้เห็นจนเป็นที่ร่าลือกันไปทั้งหมู่บ้านนั่นก็คือจู่ๆทิสุกก็มีผู้หญิงเข้ามาอยู่ด้วยที่กระท่อมหลังเล็กๆของแกคนที่เห็นเมียของทิสุกคนแรกก็คือตามั่นซึ่งเป็นตาของเจ้าของเรื่องนี้โดยมีศักด์เป็นน้องของตาแท้ๆและเป็นอาของแม่เจ้าของเรื่องด้วย วันหนึ่งตามันแกออกไปหากบที่ทุ่งนาจนกระทั่งตกดึกของคืนนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักตามันไม่รู้จะไปหลบฝนที่ไหนจึงได้วิ่งไปยังกระท่อมของทิสุขซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดหวังจะอาศัยชายคาเป็นที่หลบฝนที่กำลังเทลงมาอย่างหนักในขณะนั้นตามันวิ่งไปถึงกระท่อมของทิสุข แกก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากกำลังจะเดินเข้าไปในกระท่อมของทิสุขพอดีเมื่อเห็นดังนั้นตามันจึงไม่กล้าเข้าไปอาศัยทิสุขหลบฝนได้แต่อาศัยหลบอยู่ใต้ชายคาข้างๆกระท่อมนั้นจึงทำให้ได้รู้ว่าทิสุขและหญิงสาวสวยคนนั้น มีพฤติกรรมที่เหมือนคนเป็นผัวเมียกันมานานทางคู่อยู่กินกันเหมือนกับผัวเมียที่รวมชีวิตกันมานานแล้วนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยาทั่วไปแต่สิ่งที่ตามั่นสงสัยมากก็คือทำไมแกไม่เคยเห็นหญิงสาวคนนี้มาก่อนเลยเมื่อตามั่นได้มีโอกาสพบกับทิสุขอีกครั้ง แกจึงถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนนั้นคนที่แกเห็นว่าเข้าไปหลับนอนอยู่กับทิสุกว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมทิสุกต้องปิดบางเรื่องนี้เรื่องที่แกมีเมียโดยไม่ยอมบอกให้ใครรับรู้แต่ตามันก็ไม่ได้รับคำตอบจากทิสุกเลยแม้แต่คำเดียวแถมทิสุก ยังสั่งห้ามไม่ให้ตามันเล่าเรื่องราวที่ได้เห็นให้ใครฟังโดยเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อจะต้องโดนดีต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่วันตามันก็อดเก็บเรื่องราวที่ได้เห็นมาไว้เป็นความลับไม่ได้อีกต่อไปแล้ววันหนึ่งขณะที่แกนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนๆแกก็เผลอหลุดปากเรื่องที่แกได้ไปเห็นมา ให้กับบรรดาเพื่อนๆในวงเล่าได้ฟังกันข่าวลือเรื่องทิสุขแอบไปมีเมียโดยไม่ยอมให้ชาวบ้านรับรู้จึงกระชอนไปทั้งหมู่บ้านใครๆได้เจอทิสุขก็มักจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้จนทิสุขเกิดความโกรธและแสดงอาการไม่พอใจให้เห็นอย่างรุนแรงจากนั้นไม่นานตามั่นก็ล้มป่วย โดยมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายแสดงอาการหวาดกลัวออกมาเหมือนกำลังมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างคุกคามแกอย่างหนักเมื่อสอบถามก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆได้แต่ร้องโอดโอยคล้ายกับกำลังถูกทรมานอย่างหนักต่อมาอีกสามเดือนหลังจากที่ตามั่นล้มป่วยแกก็กลายเป็นคนเสียสติโดยไม่มีสาเหตุ พาไปรักษาตามโรงพยาบาลไหนก็ไม่หายก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งได้เห็นหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งหญิงสาวสวยที่แอบไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับทิสุคนนั้นที่กระท่อมหลังเล็กกลางดงกล้วยตานีในคืนหนึ่งโดยบังเอิญคราวนี้คนที่เห็นได้มาเล่าเรื่องราวระหว่างหญิงสาวกับทิสุ ซึ่งมีพฤติกรรมต่อกันเหมือนกับคนที่เป็นผัวเมียกันมานานให้ใครต่อใครในหมู่บ้านฟังว่าเขาได้เห็นหญิงสาวคนนั้นเดินออกจากต้นกล้วยตานีต้นหนึ่งแล้วเดินเข้าไปในกระท่อมของทิสุขซึ่งเหตุนี้เองทำให้คนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าทิสุขมีเมียเป็นผี แล้วเรื่องก็ลือกระชอนไปทั่วหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงหลังจากชาวบ้านคนที่ไปเห็นหญิงสาวเดินออกจากต้นกล้วยตานีนําเรื่องผีสาวนางตานีมาโพลทนาให้ชาวบ้านล่ําลือได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นแกก็ล้มป่วยและตายไปอย่างไม่มีสาเหตุโดยสภาพศพไม่มีอะไรผิดสังเกตนอกจากดวงตาที่เหลือกลาน เหมือนกับได้พบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก่อนที่จะสิ้นใจตายไปชาวบ้านในละแวกนั้นต่างล่ำลือกันว่าการตายของชายคนนั้นเกิดขึ้นเพราะฤทธิเดชของผีนางตานีที่ออกอาละวาดเอาชีวิตในโทษฐานที่นำเรื่องอันเป็นความลับมาไขในที่แจ้งทุกคนคิดอย่างนั้นเรื่อยมาจนไม่มีใคร กลากล่ำกลายเข้าไปใกล้ๆกับกระท่อมของทิสุขซึ่งปลูกอยู่ในดงกล้วยตานีแห่งนั้นทุกคนต่างเชื่อว่าเป็นความเฮี้ยนของผีนางตานีที่อาฆาตแค้นผู้คนที่ทําตัวเป็นมารความสุขของตนเองแต่แล้ววันหนึ่งความจริงบางอย่างก็ปรากฏขึ้นหลังจากข่าวเรื่องทิสุข อยู่กินกับผีสาวนางตานีดังกระชอนไปได้ประมาณหเดือนทิสุขก็ล้มป่วยและตายตามไปอีกคนหนึ่งภายในกระท่อมกล้วยตานีแห่งนั้นเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวจึงได้ช่วยกันนําศพของทิสุขออกมาจากกระท่อมของแก่และนั่นเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านทุกคนได้เห็นว่าภายในกระท่อมกลางดงกล้วยตานีหลังนั้น เต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังจำนวนมากทุกคนเพิ่งตระหนักรู้กันในคราวนั้นว่าแท้จริงแล้วทิสุเป็นคนที่ร่ำเรียนเกี่ยวกับคาถาอาคมเวทมนต์ดำซึ่งคาดว่าน่าจะไปเรียนมาจากฝั่งขเขมรแก่ไม่ใช่ชาวบ้านคนธรรมดาอย่างที่ทุกคนคิดการตายของชาย ที่เห็นเหตุการณ์ตอนนางตานีออกมาจากต้นกล้วยรวมถึงอาการคุ้มดีคุ้มร้ายของตามั่นนั้นไม่ได้เป็นเพราะถูกผีสาวนางตานีเล่นงานอย่างที่ทุกคนเข้าใจหากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะมนต์ดำหรือคุณใสของทิสุขซึ่งเป็นผู้กระทําขึ้นมาเองทั้งหมดผีนางตานีที่ออกมาปรนิบัติอยู่กินกับทิสุข ก็เพราะอำนาจไซยเวสของทิสุขที่บีบบังคับให้เป็นไปไม่ใช่ด้วยความพิศวาสที่ผีมีต่อคนอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่อย่างใดและการตายของทิสุขนั้นคงไม่ใช่การป่วยตายธรรมดาแน่แต่อาจเป็นเพราะอำนาจมนต์ดำที่เกินการควบคุมเล่นงานเอาดังที่ว่าหมองูตายเพราะงู